สร้างทำไมเจดีย์ใหญ่ๆบางท่านที่มีบุญบารมีสูงส่งก็ไปคิดสร้างเจดีย์ใหญ่ๆวิหารใหญ่ๆเจดีย์ JD ที่มีความสำคัญของเราในเมืองไทยเนี่ยมันมีครบทุกภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออีสานก็มีพระธาตุพนนมภาคใต้ก็มีพระาธาตาุานครศรีธรรมราช ากลางก็มีพระปะถมเจดีย์ภาคเหนือก็มีพระาธาตุดอยสุเทพมันก็มีอยู่ภาคตะวันตกก็มีเจดีย์องค์ครั์เจดีย์สองค์ซึ่งเป็นอนุสรณ์ของกองทัพไทยที่ไปรบกับพมา่าเราก็มีสมบูรณ์อยู่แล้วก็ไม่น่าจะมาคิดสร้างอะไรข่มรัศมีของวัตถุโบราณที่เรามีอยู่ควรส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้มั่นคงและเจริญยิ่งขึ้นอย่างในปัจจุบันเนี่ยการสร้างวัดเพิ่มเติมก็หมดความจำเป็นความจำเป็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องบุรณะซ่อมแซมวัดที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่หรือให้เจริญยิ่งขึ้นมันอยู่กันที่ตรงนี้ปรับปรุงการศึกษาให้ดีขึ้นเด็กบ้านนอกชาวชนบทเนี่ย มันลืมตาอาปากขึ้นมาได้เพราะอาศัยบา ร, รมีของผ้าเหลืองอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นเด็กชนบทก็อาศัยบา ร, รมีผ้าเหลืองจึงได้มีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้ข้อนี้คณะสงฆ์น่าจะคิด